คนเราส่วนใหญ่นะก็ปรารถนาการมีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมีการงานที่มั่นคงมีชีวิตที่สดกสบายนะไม่ต้องปากกัดตินถีรวมทั้งนะปรารถนาที่จะมีครอบครัวที่อบอุน่นเพราะเราเชื่อว่ามีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยชีวิตจะมีความสุข แต่มันก็ไม่แน่เสมอไปนะมีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่มีทุกอย่างที่ว่ามาแต่แล้วก็พบว่ามันมีบางอย่างขาดหายไปจากชีวิตรู้สึกเบื่อนายกับชีวิตขึ้นมาั้งทีเรียกว่ามีท่าทุกอย่างนะที่ชาวโลกนะปรารถนามีผู้หญิงคนนึงเนี่ย เธอก็ร่างกายแข็งแรงนะดูแลสุขภาพอย่างดีแล้วก็มีครอบครัวที่ดีด้วยอยู่กับสามีมาตั้ง25ปีแล้วก็รักใคร่กันดีสามีก็เป็นคนรักครอบครัวมีการงานที่มั่นคงนั่นเรียกว่าการงานนี่ทำท่าจะไปโลดนะเพราะว่า เป็นคนมีความรู้ความสามบาสด้านคอมพิวเตอร์เดี๋ยวกับดานซอฟต์แวร์ซึ่งมันเป็นกระแสของโลกยุคปัจจุบันลูกก็ขยันเรียนนะสคนนี้ก็ไม่มีใครเกเรหรือติดยาหรือว่าทําตัวเก็บเมล็ดเกเรไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตัวเธอก็ สนใจเรื่องสุขภาพแล้วก็สนใจเรื่องของจิตใจนะนอกจากเล่นโยคะเป็นประจำแล้วก็สนใจการทำสมาธิาไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมรีทรีตเนี่ยอยู่ บ, บ่อยบ่อยแต่แล้ววันหนึ่งก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับชีวิตขึ้นมารู้สึกว่าชีวิตแต่ละวันตลอดมันซ้ำซาก จำเจจนรงทังเกิดความรู้สึกสั่งกระตายนะเป็นความสึกเฉาเลยก็พยายามนะหาทางทำให้จิชชีวกลับคืนมาเหมือนที่เคยมีเคยเป็นไปต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวมันก็ต้องมีความสุขนะแต่ว่าพอกลับมาแล้วก็ ในความเบื่อหน่ายชีวิตเนี่ยก็ยังนะคงอยู่มันเป็นความรู้สึกเฉาความรู้สึกไม่มีชีวิตชีวาเลยไม่ทำไม่ทยังไงก็ในความมีชีวิตชีวาก็ที่เคยมีมันก็ไม่กลับมาทั้ทีแรกเคคิดว่าเป็นเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนหรือเปล่านะเพราะว่า เข้าสู่วัยทองแต่ก็หมอตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรร่างกายจะปกติอาการสังกายมันก็เกิดขึ้นต่อเนื่องเธอพยายามนะทำยังไงทำงไงมันก็ไม่หายไปแล้วตัหลังก็เริ่มมีอาการนะเริ่มจะนอนไม่หลับเกิดอาการตื่นตะหนกตื่นตะหนกนี่เขาเรียกแพนิค บางครั้งโดยเพราะเมื่อคิดว่าเนี่ยจะต้องสังกระตายแบบนี้ไปตลอดชีวิตยิ่งเกิดการตื่นตระหนกขึ้นมาสุดท้ายก็ไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์คนนี้นี่สนใจเรื่องพุทธศาสนานอกจากศาสตร์แขนงอื่นแล้วก็ มีประสบการณ์การทำสมาธิธภาวนาวด้วยทีแรกก็ให้ผู้หญิงคนนี้เล่านะถึงสิ่งที่เป็นปัญหาของเธอแล้วก็จะเล่าถึงความพยายามที่จะกำจัดไอ้ความสังกตายออกไปทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หายทำมาหลายวิถีแล้วแล้วหมอก็นั่งฟังนะ แต่แล้วพอเธอเล่าเสร็จหมอก็บอกว่าเนี่ยให้เธอลองพูดกับตัวเองดังๆนะว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกสังกตายเนี่ยไปตลอดชีวิตผะพูดดังๆนะหลายๆครั้งทีแรกเธอไม่ยอมนะมันมีอาการต่อต้านอะไรกันนะที่ยอมให้ความรู้สึกสังกตายนี่มัน เกิดขึ้นกับฉันตลอดชีวิตได้ยังไงไม่ยอมแต่ตัวหลังเนี่ยนะพอหมอขยันขยอเธอก็ลองพูดดูนะหมอให้พูดหลายครั้งเลยนะฉันอนุญาให้ตัวเองเนี้มีความสึกสังกตายไปจนตลอดชีวิตพอเธอพูดเสร็จหมอก็ ถามเธอว่าเนี่ยตอนนี้มันมีอาการยังไงเกิดขึ้นนะกับร่างกายของเธอบ้างเธอก็บอกว่ามันมีความรู้สึกขดเกร็งที่กรามเนื้อทองนะแล้วก็รู้สึกหายใจติดขัดที่ลำคอแล้วก็มีความตื่นกลัวนะแถวหน้าอกนะ หมอก็ถามเธอต่อไปว่าเนี่ยไออาการอย่างเนี้ยมันเป็นอันตรายัหมเธอรู้ส่วนเป็นปัญหาหั้ยเธอกับว่าอาการอย่างเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับเธอไปเรื่อยเธอยอมได้ไหมอันทีแล้วเธอบอกเนี่ยเธอรู้สึกว่าอาการพวกนี้มันเป็นอันตรายเป็นโทษนะเป็นปัญหา แต่พอมาไข้โควิดที่มันก็ไม่ใช่นะมันก็พอไหวอะถ้าอาการเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไปตลอดนี่ก็พอไหวมันไม่ถึงกับเป็นอันตรายอะไรไอ้ความรู้สึกหดเกร็งที่ท้องหรือว่ารู้สึกติดขัดที่ลำคอมันก็แค่เป็นสิ่งรบกวนบ้างนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายนะต่อชีวิตหรือว่ามัน ไม่ได้เป็นตัวสร้างความทุกข์อะไรให้กับเธอมากหมอกเ็เลยลองให้เธอเนี่ยลองรับรู้ถึงอาการเหล่านี้รับรู้โดยที่ไม่ไม่ตัดสินไม่ไปตีค่าให้ค่าไม่ไปตีความแค่รับรู้เฉยเฉยโดยที่ไม่ต้องเติมแต่งอะไรทั้งสิน้นเธอก็ลองทาดูนะ แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็โอเคอยู่วก็ลองหมอก็เลยถามเธอว่าเนี่ยไอความรู้สึกสังกตายความรู้สึกเฉาเนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นปัญหามากแค่ไหนเป็นปัญหาจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งรบกวนจิตใจให้ลองใคร่ครวญดู แล้วเธอก็เริ่มรู้สึกว่ามั น, ม, นมันก็มีเป็นสิ่งที่เลวร้ายอะไรนะมันก็เป็นแค่สิ่งที่รบกวนจิตใจเฉยๆแต่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนั้นหรือว่าอาการทางกายที่เกิดขึ้นตามม า, าเมื่อเธอบอกว่ายอมให้หรืออนุ ญ, ญาตให้ไอ้ความเสียงความสังกตานี้เกิดขึ้นตลอดชีวิตเนี่ย อาการเรานั่งก็เนี่ยเป็นอันตรายเลยเท่าไหหมอก็แนะนำให้เธอลองไปปฏิบัติดูนะลองไปสังเกตดูอาการทางกายที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกสังกตายนะาจริงๆเนี่ยมันมันเป็นปัญหาหรือว่ามันเป็นแค่สิ่งที่รบกวนจิตใจ หลังจากไปพูดคุยกับหมอเนี่ยมาหาหมอสองสาครั้งเนี่ยเธอรู้สึกดีขึ้นนะเธอบอกว่าในมันก็มีความรู้สึกนะส่วนนึงก็รู้สึกผิดหวังนะนะหากว่าไอความรู้สึกสังกตายนี่มันจะจะเกิดขึ้นนะทุกวี่ทุกวันตลอดชีวิตแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกหนึ่งนะ ที่เกิดขึ้นควบคู่กันก็คือความรู้สึกเบาสบายความรู้สึกโล่งนะความสุกโล่งที่เกิดจากการยอมรับให้ความสังกัดตายนี้ได้ความรู้สึกสังกัดตายไม่หายไปนะแต่ว่าความรู้สึกที่มีต่อให้ความสังกตายมันเปลี่ยนไปแล้วจากเดิมที่ ต่อต้านผักใสพยายามกำจัดมันพอมายอมรับมันได้ไม่ต้องไปต่อสู้กับมันแล้วมันเกิดความสุขโล่งเกิดความสุขเบาสบายแล้วเธอบอกแปลกนะมันกลับมีความมีชีวิตชีวามันกลับเกิดขึ้นมาใหม่นะทันทีที่ยอมรับความสังกตายได้นะว่ามันอาจจะต้องเกิดขึ้นตลอดชีวิตเนี่ย พ อ, อยอมรับได้นี่ไอ้ความมีชื่อชื่ามือนกลับขึ้นมาเลยกลับมาเลยแล้วเธอเล่นตัวหนักแนละ้ววาโอ้เสียเวลาเสียพลังงานไปไม่น้อยนะกับการพยายามกําจัดไอ้ความสังกัดตายแต่ก่อไม่รู้เลยนะว่ามันไอ้ความพยายามที่จะกําจัดเนี่ยความสังกัดตายนี่มัน สร้างความทุ่ขให้กับเธอมากมันเสียเรี่ยวเสียแรงเนี่ยเสียพลังงานไปกับการทำให้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันหายไปทำให้สิ่งที่มันเป็นจริงเนี่ยกลายเป็นไม่จริงไปแล้สุดท้ายเนี่ยเธอก็รู้สึก ด, ดีขึ้นนะความรู้สึก ด, ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดาการที่หมอไปทําให้ ให้ความสังกัตายหมดไปหมอไม่ได้ให้ยาหมอไม่ได้ให้ใหเทคนิการักษาอะไรแต่หมอเพียงแต่แนะนาให้เธอเนี่ยหันมายอมรับไอ้ความรู้สึกเนี่ยหันมายอมรับหากว่ามันจะอยู่ไปตลอดชีวิตถ้าเธอยอมรับได้นะเมื่อได้ตระหนักวไว้มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายอะไรมาก จะมีปัญหาทางกายแต่ปัญหาทางกายมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คุกคามนะชีวิตของเธอเธอไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาถ้าว่ามันจะนะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆยอมได้ยอมรับได้เรื่องราวอย่างนีนออ้มันมันเป็นตัวอย่างที่ดีนะ ที่ช่อเห็นว่าคนเราเนี่ยไวยครั้งความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่มีสิ่งแย่แย่เกิดขึ้นกับเราแต่มันเกิดจากการที่เราพยายามต่อสู้นะผักใสมันพยายามกำจัดมันหรือว่าไม่ยอมรับมัน ความสังกะตายนียังไม่ค่อยยังไม่ยังไม่ได้เป็นปัญหามากเท่าความรู้สึกต่อต้านอยากจะกําจัดความสังกะตายนีย่ความรู้สึกต่อต้านนี่มันมันแย่กว่าสิ่งที่หมอแนะนำก็คือให้เธอยอมรับสิ่งเหล่านี้ยอมรับแม้กระทั่งว่าเออถ้ามันจะเกิดขึ้นไปทั้งชีวิตเนี่ยจะเป็นอย่างไร เธอก็รู้ว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะถ้ า, าว่ามันจะดำรงคงอยู่ไปทั้งชีวิตสิ่งที่หมอแนะนำเนี่ยนะก็คือให้เธอดูมันดูมันไม่ว่าจะเป็นอาการทางกายที่เกิดขึ้นกับไอ้ความรู้สึกสังกตายหรือความรู้สึกเฉาเนี่ย เพียงแค่ดูมันนะโดยที่ไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปตีความเนี่ยก็เห็นเลยว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายอะไรที่จริงอันนี้มันก็ตรงกับที่ครูบาอาจารย์สอนนะว่าให้ให้รู้ซื่อๆนะให้รู้ซื่อๆก็คือว่าแค่รู้เฉยๆนะโดยที่ไม่ต้องไปผักใสมัน ให้การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในใจของเราเนี่ยามันมีพลังนะมันมีอนุภาพมากเลยแต่ว่าคนไม่ค่อยมองไม่ค่อยคอยไม่ค่อยมองเห็นเท่าไหร่เวลามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ดีไม่ชอบไม่ถูกใจก็คิดใจจะไปกำจัดมัน ได้ความคิดที่ไะกำจัดมันเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นตัวเพิ่มความทุกข์ให้เพราะทีจริงเนี่ยตอนที่มันมีความคิดที่จะกำจัดเนี่ยมันมันมีอารมณ์อื่นเกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นความโกรธความเกลียดความกลัวไอ้ตัวเนี่ยมันก็ทำให้ความทุกข์เนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นหรือจะเรียกเป็นการซ้ำเติมก็ได้ ในกรณีผู้หญิงคนนี้ใ น, ในความสังกัดตายเนี่ยมันไม่ได้แยกเท่ากับไอความรู้สึกพยายามต่อต้านกาจัดด้วยความรู้สึกกลัวด้วยความรู้สึกโกรธด้วยความรู้สึกเกลียดกลายเว่าเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองเป็นการซ้ําเติมตัวเองโดยที่ไม่ได้ใครควรว่าไอจริงๆแล้วเนี่ยไอความสังกัดตายนี่มันก็ไม่ได้ เลวร้วายเท่ากับความพยายามที่จะไปต่อต้านผักใสมันนันก็เป็นความจริงนะที่ผู้คนถ้าไม่ได้ใครขวนก็ไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่ความสังกรดตา ย, ยาเดือนนะไอ้อารมณความรู้สึกอย่างอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะทางใจอย่างเดียวแต่ทางกายด้วยนะเช่นเวลาเจ็บป่วยอย่างเงี้ย จะป่วยจะป่วยเล็กหรือป่วยใหญ่ก็ตามเนี่ยพอไปพยายามพอไม่ยอมรับมันนะยิ่งบน่นยิ่งโวยวายยิ่งตีโพยตีพายนี่หรือว่าเกิดความตื่นตระหนกขึ้นมาเนี่ยก็ามายิ่งซ้ำเติมนะความทุกข์ให้กับจิตใจของเราอย่างที่เคยเล่านะคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยเป็นมะเร็ง แต่ไม่รู้ตัวหรอกนะไปหาหมออยู่หลายครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งก็หมอก็บอกความจริง่หมอก็พูดตรงๆนะไม่มีอ้อมคอมซึ่งที่จริงมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่หมอบอกว่าเนี่ยป้าป้าเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนนะป้าตกใจมาก กลับไปบ้านนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับพอใจนี่มันยอมรับไม่ได้มีทั้งความกลัวมีทั้งความตื่นตระหนบยิ่งปรุงแต่งไปนึกถึงว่าตอนที่โรคมันลามอาการหนักอยู่ในระยะท้า ย, ยจะทุกข์ทรมานแค่ไหนนึกไปถึงตอนที่ จะต้องตายเนี่ยยอมรับความตายไม่ได้พอึิงแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ยอมรับความเจ็บป่วยไม่ได้ไห ย, ยอมรับมะเร็งไม่ได้ใจมันผักสายใจมันต่อต้านบอกว่าอยู่ได้แค่12วันก็เสียชีวิตอานะมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนบางคนนี่อยู่ได้3ปีนะว่าเขาปฏิบัติตัวดีแล้วก็วางใจถูกแต่คุณป้าคนนี้เนี่ยอยู่ได้แค่12วัน ที่อยู่ได้สั้นอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าโรคมันรามอย่างโวคเร็วนะไม่ใช่แต่เพราะใจมันไม่ยอมรับใจมันปฏิเสธใจมันผักใส่มะเร็งเนี่ยไม่ลายนะน่นเท่ากับความกลัวมะเรนะ็งเพราะความกลัวเนี่ยมันทําให้นะต่อต้านผักใส่มไม่ยอมรับมันทําให้ทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายนี่รวลไปหมดนะให้ความกลัวเนี่ยมันเป็นตัวเพิ่มทุก ให้กับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเวลาฉีดยาเนี่ยคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยเพราะเพราะว่าเนี่ยจะเจ็บมากกว่าคนที่ไม่กลัวเนี่ยเป็นสมเท่าคนไม่กลัวโดนเข็มฉีดยาทิ่มเข้าไปแทงเข้าไปก็เจ็บหนึ่งคนกลัวนี่เจ็บสามหส่วนนี่ก็เป็นความเจ็บทางกายอยีกสส่วนเนี่ยมันเกิดจากความกลัวทําให้รู้สึกเจ็บเพิ่มขึ้นนะ เป็นสองส่วนรวมแล้วก็เป็นสามไอ้ความลวงก็เป็นอาการผักใสอย่างหนึ่งนะหรือมันนำไปสู่การผักใส่นั่นการที่คนเราเนี่ยนะเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ่ามันเป็นสิ่งจำเป็นมากเลยนะสำหรับการที่จะรับมือกับความทุกข์ต่างๆทั้งที่เกิดจากภายนอกและเกิดขึ้นภายใน ที่จริงในการเจริญสติเนี่ยนะอย่างที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยนะในการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่ากายกับใจเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเลยนะของการปฏิบัตินะหมายความว่าเนี่ยเวลามันเกิดความฟุ้งขึ้นมาเวลาเกิดความหงุดหงิดขึ้นมา หลวงพ่งพอเขียนหลวงพ่อองค์เขียนกักกนว่าให้ดูมันอย่าไปพยายามกดข่มมันแต่ว่านักปฏิบัติจำนวนมากเนี่ยนะเวลามันมีความฟุ้งเกิดขึ้นก็ไม่ชอบพอไม่ชอบก็พยายามที่จะกำจัดมันนะกดข่มมันยิน่งทำเนี่ย ก็ยิ่งฟุง้งเช่นเดียวกันพอมีความเครียดเกิดขึ้นไม่ชอบความเครียดนะแทนที่จะยอมรับมันแทนที่จะดูมันหรือว่ารู้สู้ๆก็ไปกดข่มมันก็กลับยิ่งเครียดมากขึ้นจริงๆไม่ต้องปฏิบัติเจริญสติก็ได้นะใช้วิธีอื่นก็ได้ในการ ใครเครียดเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเครียดเดยอะแล้วก็แสวงหาวิธีที่จะบรรเทาความเครียดแต่และคนเพราะว่ายิ่งพยายามเท่าไหร่นะกับเครียดมากขึ้นยิ่งอยากจะให้ความเครียดมันหายไปยกับเครียดหนักที่ยิ่งเครียดหนักนี่เพราะละเพราะความอยากนั่นแหละ พอเครียดแล้วเนี่ยอยากจะกําจัดความเครียดนะอ๋อมีวิธีไหนที่มันช่วยกําจัดความเครียดได้ก็ทดลองนะหนังสือคู่มือหาวทู How to, นะขับไล่ความเครียดหรือว่าเป็นเพชฌฆัดความเครียดโอ้ขายดีแต่หลายคนเนี่ยทำแล้วเนี่ยมันกลับเครียดหนักเพราะว่าพอทําแล้วความเครียดไม่หายก็ผิดหวัง พอผิดหวังก็เลยเครียดมากขึ้นอันนี้เรียกว่าเครียดเพราะความอยากก็ได้ยิ่งอยากให้ความเครียดมันหายก็ยิ่งเครียดหนักก็เหมือนกับคนที่ภาวนานยอยากให้สงบเนี่ยมาภาวนาที่นี่เนี่ยตั้งท่าหรือตั้งใจเลยวาดหวังว่าเนี่ยอยากจะมาเจอความสงบพอมีความอยากสงบมันยิ่งไม่สงบนะ พอพอมีความอยากสงบเนี่ยมันก็ยอมรับความฟุ้งซ่านไม่ได้ยอมรับความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไม่ได้ยอมรับความหงุดหงิดไม่ได้มันก็ยิ่งเข้าไปจัดการบังคับจิตไม่ให้คิดหรือกดข่มความฟุ้งซ่านเอาไว้มันยิ่งทำให้ยิ่งฟุ้งยิ่งเครียดยิ่งไม่สงบเข้าไปยา ให้การผักใสเนี่ยนะการต่อต้านเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความอยากนะนนเช่นอยากจะให้ความเครียดหายไปไอ้ความอยากเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคทื่เป็นตัวซ้ำเติมความทุกข์หลวงปกขาวท่านเลยแนะนำนะคนที่เจ็บป่วยเนี่ยมีทุกขเวทนาเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยอย่าอย่าอยากหายนะ อย่าอยากหายจากทุกขเวทนาหรืออย่าให้ยามีความอยากให้ทุกขเวทนามันหายเพราะความอยากแบบนี้มันยิ่งทําให้มีทุกขเวทนาภาคขึ้นเพราะว่ามันเป็นตัวเพิ่มสมุทรไทยมันเป็นตัวสมุทรไทยที่เพิ่มความทุกข์พออยากหายเนี่ยมันก็ธรรมดานะมันก็จะมีการต่อต้านผักใสความเจ็บความปวด นันการที่เราเรียนรู้ที่จะนะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราไม่ว่าในระหว่างภาวนาหรือว่าในการดาเนินชีวิตเนี่ยมันเะป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะในการที่จะช่วยให้เราษาเราษาใจเราเป็นปกติได้นะบางครั้งก็มีความเบือ่อความซึง้งบางครั้งก็มีความเครียดบางครั้งก็มีความรู้สึกสังกระตาย รู้สึกไม่มีชีวิตชีวาให้พวกนี้เนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะไม่ใช่ว่าไม่มีสาเหตุมัมีสาเหตุแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุผลนะอย่างผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยเพียรพร้อมทุกอย่างเลยแต่ก็ยังเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแสงกับสั่งก็ตายอันนี้เราห้ามได้ยากนะ แต่ว่าถ้าเรามีวิธีนะมีคล้ายๆวิชาที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่มีปีไม่มีคุยหรือแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยนั่นคือการยอมรับมันยอมรับมันซึ่งก็ต้องอาศาัยการคร้ครวญด้วยนะแล้วที่จะมาคือสตินะ่ถ้ามีสติเนี่ยมันจะตั้งท่าผักสายอย่างเดียว มันเป็นสัญชาติญาณเนี่ยเวลาเราไม่ชอบอะไรยิ่งมีความโกรธความเกลียดความกลัวแล้วเนี่ยมันมีแต่จะผักใสยอย่างเดียวเห่นเสียงดังเนี่ยเสียงดังเนี่ยเราไม่ชอบเสียงดังเนี่ยทันทีที่มันกระทบหูเนี่ยมันเกิดความรู้สึกโกรธขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้ความโกรวความไม่พอใจขณะที่มันตัวกระตุ้นให้อยากจะกํกาจัดเสียงนั้นถ้ากําจัดไม่ได้ มันก็จะมีอาการต่อต้านมาแทนต่อต้านในจิตใจไม่สามารถจะเดินไปให้ต้นเสียงมันหยุดได้เนี่ยเพราะนั่งอยู่กับที่นั่งฟังหรือนั่งจเจริญสติเนี่ยแต่ใจเนี่ยมันจะต่อต้านมันไม่ยอมรับตรงนี้แหละนะเพราะไม่มีสติแต่พอมีสติได้นะ ยอมรับมันพ อ, อยอมรับมันได้นี่ไอ้ความทุกข์เพราะเสียงดังเนี่ยมันลดลงเลยแต่ที่จริงความทุกข์ที่ลดลงเนี่ยมันไม่ใช่ความทุกข์เพราะเสียงดังนะแต่มันลดลงเพราะไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากการปฏิเสธผั ก, นนกสาเนี่ยมันหายไปเพราะเมื่อ ย, ยอมรับมันการผักสาก็หายไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากการผักไสาก็หายไปด้วย เสียงไม่ทำให้เราทุกข์เท่ากับการต่อต้านผักใสเสียงนั้นนะพอเรายอมรับมันได้นี่ความทุกข์มันหายเลยแต่จะยอมรับมันได้นี่มันต้องมีสตินะเพราะไม่งั้นเนี่ยสัญชาติญาณที่จะผักใสเนี่ยต่อต้านมันก็จะมาครองใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกมากระทบหรือว่าสิ่งภายในที่เราทำมารมเกิดขึ้นก็ตามนัม่นคือการมีสติแล้วก็ตั้งหลักให้ได้ยอมรับมัน หลังจากที่ใคร่ควรแล้วว่าอมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายอะไรหรือถ้าเราตระหนักว่าการต่อต่าผักสายนี่แหละนั่นที่มันเป็นตัวสร้างปัญหาหลายคนก็รู้นะแต่ว่ามันห้ามใจไม่ได้ใจมันจะต่อต้านนะ่ยอันนี้เพราะใจไม่ได้ฝึกเพราะขาดสติแต่พอฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยพายมีสติเป็นตัวนำเนี่ยมันก็ทําได้นะเพราะฉะนั้นเพียงแค่รู้ว่าต่อต้านผักไส้มันเป็นโทษเนี่ยมันไม่พอนะมันต้องฝึก ที่ทำให้ใจนี่สามารถที่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอาการที่เรียกว่ารู้สื่อนะรู้สื่อคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างก็ดูมาเฉยเฉไม่ตัดสินไ ม, ไม่ไม่ไม่ตีความเดี๋ยวมันก็ค่อยๆสงบไปเองและไอ้ความรู้สึกสังกตายนี่นะที่มันเคยรบกวนเนี่ยพอยอมรับมันได้นี่นี่มันหายไปเฉยเลยนะ ความมีชีวิตชีวากลับคืนมาอันนี้เป็นอ น, นิสงส์หรืออนุภาพของการยอมรับนะที่คนมักจะไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวพูดต่านี้นะครับ